3. ปัตตวัคหจีวระอัดชินธนะสิกขาบทว่าด้วยการให้จีวอนแล้วชิงเอาคืนเรื่องพระอุปนันทสักยบุตรหยสมสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสักยบุตร กล่าวชักชวนสัตว์วิหาริกของภิกษุผู้เป็นพี่ชายว่ามานิเถิดท่านพวกเราจะไปเที่ยวชนบทด้วยกันภิกษุนั้นกล่าวตอบว่ากระผมไม่ไปกระผมมีจีวรชำรุดท่านพระอุปนันทสักยบุตรกล่าวว่าไปเถิดท่านผมจะถวายจีวรแก่ท่านแล้วถวายจีวรแก่ภิกษุนั้นภิกษุนั้นทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคจากเสด็จจาริกไปในชนบททีนั้นท่านได้มีความคิดว่า บัดนี้เราจักไม่ไปเที่ยวชนบทกับท่านพระอุปนัน tha สกยบุตรแต่จะไปทเที่ยวชน บ, กบนทกับพระผู้มีพระภาคครั้นท่านพระอุปนันทะ a สกยบุตรกล่าวชักชวนภิกษุนั้นว่ามาเถิดท่านบัดนี้พวกเราจะไปเที่ยวชนบทด้วยกันภิกษุนั้นปฏิเสธว่ากระผมไม่ไปเที่ยวชนบทกับท่านละกระผมจะไปเที่ยวชนบทกับพระผู้มีพระภาคท่านพระอุปนัน t กยบุตรกล่าวว่า เราถวายจีวรท่านเพราะตั้งใจว่าจะไปเที่ยวชนบทด้วยกันจึงโกรธไม่พอใจชิงจีวรคืนต่อมาภิกษุนั้นได้เล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยท่านพระอุปนันทศักยบุตรให้จีวรภิกษุเองแล้วโกรธไม่พอใจชิงเอาคืนมาเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิท่านพระอุปนันทศักยบุตรโดยประการต่างๆ